ซึ่งอธิบายว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวงคือกิเลส ท, ที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าอัสมิมานะด้วยปัญญาความว่าธรรมะเครื่องเนิ่นช้านั่นแหละชื่อว่าเป็นส่วนแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้าได้แก่ส่วนแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตันหาธรรมะที่เป็นส่วนเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิ ตัวที่เราที่ทำให้ช้านะที่ไม่ดับขันปรินิพานที่ยังแบกอยู่ในวัาตตะอย่างเนี้นะไม่สงบระ ง, งับสักทีไม่บรรลุสักทีหนึ่งเพราะมันมีตัวทำให้ช้าตัวที่ทำให้ช้ามีอยู่สองตัวคือตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยทำให้ไม่รีบร้อนอะไรนะอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องออกล็อกขันห้าอยู่นี่แหละอย่ารีบเลยนะคอยกระสิบกระซาบบอกตลอดใช่ไหม จะรีบปฏิบัติไปไหนแบบนั้นนะจะรีบละชันไปไหนอยู่เรื่องการกรเนี่ยนะเลี้ยงขันท่าต่อไปเถอดเนี่ยนะตันหามลักษณะนั่นแหละอธิบายว่ารากเง้าของธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตันหาเป็นไฉนะถ้ารากเง้าของของตันหานะตัวรากของตันหาคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยเปเออมูลหรือรากของมันเนี่ยคืออวิชชาอโยนิโสมนสิการ อสมิมาณะอหิริกะอโนต ป, ปะอุทจจานี้เป็นรากเง่าแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตันห า, านะทวนนะอันหนึ่งอันหนึ่ง อ, นนงอวิชชาเนี่ยเป็นรากเป็นมูลของตันหาอาโยนิโสมนสิการก็คือใส่ใจด้วยอํานาจสุภะนิมิตเนี่ยนะใส่ใจว่างามอันนี้ก็ถือว่าเป็นรากเง่าของตันหาหรือความเย่อหยิ่งถือตัวนี่นะมาณอสมิมาณะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นรากเง่าของตัณหาอหิริกะความไม่ละอายบ p, ยาปนะไม่ละละอายใจตัวเองเลยนะที่จะทําชั่วเรียวกว่อาอหิริกะอันนี้ก็เป็นรากเง่าของธรรมะเป็นรากเง่าของตัณหาอาโน ต, ตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปนะไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปไม่เกรงกลัวต่ออบายทุกขติวิ kilogram, นิบาศนรกอะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นรากเง่าของตัณหาและอุทจธธัตความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี่ก็ถือว่าเป็นรากเง้าของตัณหา อันรากเง่าของตัณหาตรงนี้ก็มีอยู่หกประการด้วยกันนะหนึ่งอวิชาสองอโยโนิสมนานสิการสอัส ม, สมิมานะสีอะฮิริกะหโนต ป, ปะหอุทธัจจะส่วนรากเง่าของธรรมะเครื่องเนื่อช้าคือทิฏฐิก็เหมือนกันนะนะคืออวิชาก็ถือว่าเป็นรากเง่าของทิฏฐิอโยนิสมนานสิการก็เป็นรากเง่าของทิฏฐิอัสมิมานานะ มานะก็ถือว่าเป็นรากเง้าของทิฐิอหฮิริกะอโนตปะอุทจจะแต่ละอย่างก็เป็นรากเงาของทิฐิเนี่ยนะพระองค์บอกว่าภิกษุพึงกําจัดธรรมทั้งปวงใช่ไหมที่เป็นรากเง้าของอ น, นะกำจัดธรรมที่เป็นรากเง้าของตันหาและทิฐิ น, นะคำตอบนะถ้าจะปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็ต้องนี่แหละมุ่งกําจัดรากเงาของตันหากับทิฐิอธิบายคําว่าพักวาก่อน พักวานี้เป็นพระนามคือเป็นชื่อที่กล่าวด้วยความเคารพใครที่มีคุณควรแก่การเคารพเรียกว่าพักวานั่นเอีกอย่างหนึ่งคําว่าพักวาเพราะเป็นผู้ทําลายราคะทําลายโทสะโมหะมานะทิฐิเสี้ยนน้ํากิเลสทุกชนิดเนี่ยนะอันผู้ที่ทําลายบาปอากุศลดังกล่าวไปเรียกว่าพักวาหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทรงจําเนก จำแนกพิเศษจำแนกเฉพาะซึ่งธรรมรัตนะคือพระไตรปิดกเนี่ยนะจำแนกพระธรรมคำสอนที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมนะี่แหละเชื่อว่าพระควาพระอาาัฏฐาทรงธทำที่สุดแห่งภพทั้งหลายนะนะี่แหละที่สุดแห่งภพคืออะไรก็คือนิพานนี่นแหละเป็นที่สุดแห่งภพนะเมื่อแทงตลอดพระนิพานก็ทําลายที่สุดแห่งภพคือด้วยการทําลายกรรมเนี่ยนะ ทำลายกรรมก็ด้วยการทำลายกิเลสเมื่อทำลายกิเลสก็เป็นอันทำลายกรรมเมื่อทำลายกรรมก็เป็นอันสิ้นพภพพระคาวานี้พระอรราว่ามีพระกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วเป็นผู้มีปัญญาอบรมแล้วคือมีภาวนาสี่นะกายภาวนาจิต MER. กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนา อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละเมะป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทํากรรมลับของมนุษย์สมควรแก่วิเวกฉะนั้นจึงชื่อว่าพาักวะแสดงว่าพระองค์นี้สร้งเสพแต่เสนาสนะที่สงัดที่วิเวกเนี่ยนะถึงร่างกายของพระองค์เนี่ยนะถึงจะมีพุทธบริษัทสี่อยู่ประชุมกันเนีย มีผู้ฟังธรำอยู่ขณะที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยประชาชนทั้งหลายซยแส้สองสาธุการอนุมโมทนาวาษาทูพระองค์กําหนดแล้วอะถ้าเขาพูดภาษาทูพระองค์เข้าพระสมาบัติก่อนนั น, นะเขาสาธุจบแล้วแสดงธรรมต่อแสดงว่าไม่ได้อยู่เสวยเนี่ยโศตวิญ ญ, ญาณฟังเสียงอนุมโมทนาอะไรหรอกนั น, นะก็เข้าพระสมาบัติไปเรียบร้อยแล้วพระองค์นี่มีจิตวิเวกตลอดตลอดการมางนกนอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีส่วนแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารจึงชื่อว่าพักวาที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์บริโภคปัจจัยสี่ของชนเหล่าใดย่อมนําผลมากนําซึ่งอ น, นิสงฆ์มากมาให้แก่ชนเหล่านั้นอันเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งปัจจัย4ก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นสุดยอดนาบุญการทําบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบ ว, ว่าเอาปุุชนทั้งจักรวาลนะ เอาพระโสดาบันเนี่ยทั่วเต็มเต็มประเทศไทยเนี่ยนะพระสกะทาคามีครึ่งประเทศไทยหรือพระอนาคามีเนี่ยค่อนประเทศไทยถ้าอารหันเนี่ยเป็นจังหวัดเลยนะแล้วก็พระปเจ ก, กับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอำเภอเลยมารวมกันทั้งหมดทำบุญกับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยได้บุญมากกว่าที่กล่าวไปแล้วหนึ่งครั้งเลยเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมหาประมาณไม่ได้ฉนั้นอย่างในยุคนี้คนที่จะพอเป็น นิสัยพอจะได้วาสนาต่อไปเนี่ยก็คือการเจริญพุทธานุสติการทำกุศลประเภทพุทธบูชาทั้งที่เป็นอมิสบูชาและปฏิบัติบูบชาการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นี่แหละจะเป็นวาสนาที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับเขาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งอธิศิรสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอันมีอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสนั้นจึงชื่อว่าพัวา คือการอบรมศีลอบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของพระองค์เนี่ยนะผลที่ได้ก็คืออัทรสกับธรรมรสอัทธรสธรรมรสก็คือการแทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละผลของการบรรลุอริยสัจก็คือการหลุดพ้นด้วยอรหัตผตลเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีส่วนแห่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีอัทธรสธร ร, ธ ร, รมรสวิมุตติรสจึงชื่อว่าพระควา อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งฌานสี่อัปปมัญญาสีอรูปสมาบัติสี่จึงชื่อว่าพักวาร์ที่อื่นต่อไปว่าอันึพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งวิโมกแปดอภิพายตนะแปดอนุปภาพวิหารสมาบัติก้าเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวานนะอันนนอาอนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบเกษมสมาบัติสิบอนาปานสติสมาธิอสุภสมาบัติจึงชื่อว่า พักวาอนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิธิบาทสี่อินทสียห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมักมีองค์แปดจึงชื่อว่าพักวาอันึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งตถาคตพละสิบเวสารัชธรรมสี่ปฏิสัมพิธาสี่อภิญญาหกพุทธธรรมหกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวาอันพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีคุณธรรมเหล่านี้นะอย่างก็ เราอาร่านในพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เนี่ยนะคำเหล่านี้ไปอธิบายตรงนั้นทั้งหมดที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะหรืออารหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพะควาเนี่ยที่เราสวดมนต์ทุกครั้งก็คือบทนี้หรือนาโมตสะพคะวาโตอะพะควาโตสท์นั้นก็คือคำเหล่านี้ไปอธิบายพะควาโตตรงนั้นทั้งหมดเลยหรือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะ ถ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพักวานี้พระมารดาพระบิดาพระพาดาพระพกคินีมิตรอมาตพระญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดามิได้เฉลิมให้คือไม่ได้เรียกให้พระนามว่าพักวานี้เป็นวิโมกขันติกนามคือพระนามอันมีในอรหัตผลในลำดับแห่งอรหัตตมัตเป็นสัจจิกาบัญญัต พร้อมด้วยทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณณควงแห่งโรพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วนี่นะนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปพระองค์ตรัสตอบพระพุทธนมิตว่าภิกษุพึงกําจัดบา ป, ปรธรรมทั้งปวงคือกิเลส ท, ที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้านี่นะและอัศมิมาณะนี่นะซึ่งอธิบายต่อไปว่า พรงตอบว่าให้กําจัดบาปประทับทั้งปวงแล้วก็อริยมานะด้วยปัญญาเนี่ยนะก็ที่จะกําจัดบาปกําจัดอกุศลกําจัดมานะก็ต้องเอาปัญญาเนี่แหละเป็นเครื่องมือในการกําจัดอุปมาเหมือนกับว่าเราถางป่านเนี่ยนะบอกว่าถ้าจะให้ที่ตรงนี้เตียนต้องถางให้หมดแล้วเอาอะไรมาถางก็เอามีดขวานฉั้นใดก็ดีถ้าจะกําจัดบาปประทับทั้งปวงก็หรือกําจัดมานะก็กําจัดด้วยปัญญาปัญญาก็คือ มันตานะได้แก่ความรู้ความรู้ชัดเป็นต้นความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรำรสัมมาทิฐิอันนี้แหละชื่อว่าปัญญาส่วนอสมิมานะอสมิมานะอสมิฉันทะอสมิอนุสัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือความยึดถือด้วยอํานาจมานะด้วยอานาจฉันทะหรืออนุสัยในขันห้านะสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกําจัดบาปประธรรมทั้งปวงคือกิเลส ท, ที่เป็นรากเหง้า แห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นชา้าและอัสมิมานะด้วยปัญญาความว่าภิกษุพึงกำจัดสกัดดับ biết, สงบปราบปรามระงับซึ andar, ulo, ่งบาปประธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเง่าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้าอัสมิมานะด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปประธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนิ่นช้า และอัสมิมานะด้วยปัญญานะนะก็พูดแบบสรุปสรุปเราสํานวนชัดเจนก็คือกําจัดสมุทัยสัตว์ด้วยมัคสัตว์คือปัญญาเนี่ยนะคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือกําหนดทั้งปวงโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือไม่ได้ไม่มีส่วนเหลือคําว่าตันหาก็รูปปัญหาสัทธตันหาคัทธตันหารสตตันหาโพธิภพตันหาธรรมะตันหาก็คือตันหาในอารมณ์6นั่นเอง ที่มีอยู่ในภายในก็คือตัณหานั้นตั้งขึ้นในภายในฉะนั้นจริงชื่อว่ามีในภายในอีกอย่างหนึ่งจิตเรียกว่าภายในได้แก่จิตมณะมานัตหะทัยบรรทระมณะมานายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันสมกันตัณหานั้นสหรคตเกิด ร, ร่วมเกี่ยวข้องสัมปยุต มีความเกิดร่วมกันมีความดับร่วมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันกับด้วยจิตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตันหาเนี่ยมีในภายในนี่นะก็ให้กำจัดตันหาที่มีอยู่ในภายในเนี่ยนะภายในจิตนะนะก็ในเกิดขึ้นที่รับอารมณ์นะตันหาหกในะอารมณ์หนั่นแหละคำว่าในการละทุกเมื่อเนี่ยนะคือ ตัณหาอยากภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นในการทุกเมื่อยนะกล่าวว่าให้มีสติตลอดการทุกเมื่อไอคำว่าทุกเมื่อคืออะไรทุกเมื่อก็คือตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิดเนี่ยนะตลอดการยั่งยืนตลอดการนิรันตลอดการนิรันดรตลอดการเป็นอันเดียวกันตลอดการติดต่อตลอดการเป็นลําดับตลอดการไม่ขาระยะ ตลอดการไม่มีระหว่างตลอดการสืบเนื่องตลอดการไม่ขาดสายตลอดการกระชั้นชิดไม่ว่าจะเป็นก่อนพัดหลังพัดหรือว่ายามต้นยามกลางยามหลังข้างแกรมข้างขึ้นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนไวยต้นไว้กลางไว้หลังเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าทุกเมือ่อสรุปทุกเมืออม่อก็คือทุกเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนก็เอาหมดละไม่มีเหลื อ, อนนะถามว่าไอ้ทุกเมือ่อเอาอะไรมาทําทุกเมื่อก็คือให้มีสติทุกเมื่อนะนนั้ ท young, ples, oles, ีนี young, ้คำว่าเป็นผู้มีสติก็คือมีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือเมื่อเจริญกายานุปัสนาสติปทานในกายชื่อว่าเป็นผู้มีสตินะก็คือเจริญอนุปัสนาเจดในกายคือรูปขันธ์นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีสติเมื่อเจริญเวทนานุปัสนาสติปฐานในเวทนาทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้มีสติก็คือเจริญานุปัสนาเจ็ในเวทนาทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้เจริญ เมื่อเจริญจิตตาอนุปัสนาสติปทานในจิตชื่อว่าเป็นผู้มีสติก็อาศัยจิตเนี่ยเจริญอนุปัสนาจหรือว่าเมื่อเจริญธรรมานุปัสนาสติปทานในธรรมทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้มีสตินะก็ธรรมะก็คืออะไรก็คือนิวรขันนิวรณ์หขันห้าอายตนา12โพชฌงเจแล้วก็อริยสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะทุกขสัต์เป็นต้นเนี่ย อันการเจริญอนุปัสนาในกายเวทนาจิตธรรมโดยสรุปก็คือขันห้าอันการเจริญอนุปัสนาในขันห้านี่แหละเป็นเหตุให้มีสตินะฮะมีสติโดยการเจริญอนุสติปฐานภาวนาหรือที่เรียกว่าชื่อเต็มๆว่าอนุปัสนาสติปฐานอนุปัสนาเจ็ดนนะสติตั้งมั่นด้วยอนุปัสนาเจ็ดประการ